ตอนช่วยชีวิตต้องฉับพลันอีกตระกูลหนึ่งคือตระกูลเฝิงบุตรชายรับราชการในกองประวัติศาสตร์แห่งชาติก่อนหน้านั้นบิดาสอบได้เป็นที่สิ้วฉายทุกเช้าจะต้องไปเรียนต่อที่อำเภออยู่มาวันหนึ่งอากาศหนาวจัดมากท่านเดินไปตามทางพบคนนอนหนาวจมหิมะอยู่ ครำดูปรากฏว่าแข็งไปครึ่งตัวแล้วท่านรีบถอดเสื้อหนาวออกใส่ให้ประยุงให้ลุกขึ้นพากลับมาบ้านของท่านช่วยประครบประ ง, งมจนฟื้นดีดังเดิมคืนนั้นท่านฝันไปว่ามีเทวดาองค์หนึ่งมาพูดกับท่านว่าเป็นการยากยิ่งนักที่เจ้าสามารถช่วยเหลือคนให้ฟื้นรอดตายได้อย่างหวดุดวิดเราจะให้หานฉีมาเกิดในตระกูลของเจ้า ต่อมาพุชายที่ทำงานกองประวัติศาสตร์อยู่ในเวลานี้ก็เกิดมาจึงขนานนามว่าฉีตามที่ฝันไปหานฉีท่านนี้เกิดในสมัยราชวงศ์ซ่งราวปีพุทธศักราช1503ถึง1670เป็นขุนนางในตำแหน่งใจเสี่ยงถึงสองรัชการคือพระเจ้าอิงจงฮ่องเต้ ราวปีพุทธศักราช1607ถึง1610และพระเจ้าเสินจงฮ่องเต้ราวปีพุทธศักราช1611ถึง1628เป็นที่รักของคนทั่วไปและเป็นที่เกงขามของชาวต่างประเทศยิ่งนักเกียรติคุณของท่านแผ่ไพศาลเมื่อถึงแก่อันดิจกรรมแล้ว พระเจ้าเสินจงฮ่องเต้ได้โปรดเกล้าสถาบนาเป็นที่จงเซียนกงเป็นเกียรติยศอันสูงสุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนเองเพื่อความจงรักภักดีและรักชาติอย่างยิ่ง